จิตมีสมาธิแล้วเนี่ยถ้าไปถูกตัวกันแล้วก็จะไม่เข้าสมาธิจะออกสมาธิจะดับแล้วคนที่นี้จะทาให้จิตมีสมาธิอีกได้ยากเพราะเรานั่งกันให้ให้ได้จังหวะไม่เข่าชนกันได้เป็นอันดีเพราะธรรมะ กลัวจะทำจิตสํารมให้มีสมาธิได้ยางนั่งให้ใบหน้ากองกรุงอย่างหน้าพระพุทธรูปนี่แหละจะดีไม ah e ่เอ ah e ียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกงกรุงแล้วจะหลับตาลงหลับตาลงแล้วก็คือ ภายในเท่าลืมตามันไปไกลไปปรากฏไกลเท่าหลับตาเนี่ยเหมือนเราที่เราเข้าเรือนเราก็ปิดประตูแล้วภายในเราก็จะรู้ได้จะเห็นได้เพราะเราไม่ยังยังไม่เคยเข้าไปในภายในร่างกายของเรา เพราะเราก็สารวมจักขุอินทรีสีรวมมองดูภายในพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจ <c oughs> เราก็ขัดส ม, มาธิ ลงไปแล้วเป็นองค์พระสมาธิแล้วทำความนั่งอยู่เราก็ทำความรู้เห็นว่าเราขัดสมาธิแล้วแล้วก็วางมือไว้ที่หน้าตักขวาทับมือซ้ายตั้งกายกรุง จำงสติให้มันหลับตาเนี่ไม่ต้องหลับให้น่นนักหลับพอเฉยๆที่อัตมานั่งแนะนำเสนอแนะกรรมฐานให้มีความรู้อยู่ว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่ ระลึกถึงองค์พระอยู่ที่กายพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าก็อยู่ที่ใจพระอริยสุขเจ้าก็อยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นจิตนี้ก็จะรวมตัวกันอยู่กับองค์พระจริงๆเมื่ออยู่กับองค์พระจริงๆแล้ว สมาธินีเจะเริ่มเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติกายก็เบาใจก็เบาพึงรู้ว่าสมาธิเกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วนั่งปล่อยวางจะให้เกง่งย้ายเก่งตัวปล่อยวางลงไปเฉยๆสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ จึงเรียกว่าผู้ปึสมาธิสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ทำความรู้นิ่งเฉยพุทธหลมข้าวโผลหลมออกทำใจให้สบายสบายธรรมะก็จะเจริญขึ้นทางใจมูผู้ตอนจิต ให้เป็นสมาธิได้ย่อมมีความสุขให้กับตนเองแล้วหลับตาเนี่ยไม่ได้หลับหรอกคือชักหนังตาปิดน้อยเดียวแล้วลืมอยู่ภายในพยายามสมรวมอินทรีย์ <c oughs> จากคู่อินทรีย์ลืมอยู่ภายใน เมือ่อเมื่อมีสมาธิแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเรามีความรู้อยู่ทุกคนแต่ที่เรามานั่งเจริญพระกรรมฐานก็คำสอนของพระพุทธเจ้าของเรา เป็นผู้เจริญมาแล้วก็ขอพวกเรานี่เจริญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทมที่พระพุทธแนะนำสั่งสอนเราท่านควรควาธรรมะไวในใจทำความรู้เห็น เมื่อรู้เหตุแล้วท่านก็โปรดสัตว์สอนสัตว์ให้ผลจากทุกข์สมุทยัยซึ่งเป็นความเกิดมื่อความเกิดเท่าไรก็ต้องตายหมดเท่านั้นแล้วมื่อจะตายเนี่ยความเจ็บไข้ป่วย มีทุกขเวทนาบีบคันอยู่ทุกขณะแล้วพระองค์แนะนำให้สอนสอนให้รู้จักเรื่องความเจ็บไข้แล้วพยายามทำความรู้จึงอยูกยารักษาโรคสักเท่าไหร่ก็ไม่พ้นซึ่งความตายผู้มีปัญญา พระองค์แนะนำสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราได้ดีใจเรื่องมรผลนิพพานเนี่ยจะไปมองหาที่ไหนคงจะไม่พบไม่เจอไม่เจอเพราะจะพบเรื่องมรผลสวรรค์สม บ, บัตินิพพานสม บ, บัติจะเจอเจอได้ก็ที่ใจ จะเจอได้ก็ที่ใจเพราะขอให้พวกเราสร้างสัทธาให้แรงกล้าย่อมจะนำมาซึ่งให้เรารู้เราเห็นได้เมื่อเรารู้เราเห็นได้แล้วสัทธาได้จึงจะแก่กล้าขึ้นมาได้ให้ดีใจแล้วให้ดีใจอีก ว่าเราได้มานั่งกรรมฐานพร้อมด้วยพระภิกษุแระสมณีซึ่งมาต่อสมาธิกันพยายามสมรวมจิตใจนี้ให้ถึงพร้อมแล้วจึงเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยรู้ เราไม่เคยเห็นก็จะระวูขึ้นได้เห็นคือได้นักปฏิบัติก็จะมีศรัทธาขึ้นศรัทธาก็จะเกิดแรงกล้าขึ้นธรรมะก็จะสว่างสวัยขึ้นเหมาะว่าพรหมจันทร์เป็นผู้รวมสมรวมหูตาไวให้ดี เมื่อเรานั่งกรรมาฐานแล้วมีสว่างสวยขึ้นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ น, นั่งเกิดขึ้นแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าทียาทานเนี่เป็นของจริงที่พระองค์ว่ายาาแล้วก็เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี แล้วถ้าหักว่าเราปฏิบัตินั่งกัประฐานทำไมาจะเจอขึ้นอย่างพระองค์กล่าวนี้เมื่อกล่าวมีความรู้มีความเห็นตามก็นั่นแหละพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่ทรงแนะนำเราไว้บัดนี้เราก็ทำขึ้นแล้ว เราสารวมไว้แล้วหูตาจมูกลิ้นกายใจซึ่งเอาไว้สมรวมไว้อย่างดีมือสารวมไว้อย่างดีแล้วอินทรีย์ก็ดีขึ้นสารวระหวางมากขึ้นให้แก่กล้าขึ้นธรรมะก็จะสว่างสวัยควรีดี าาก็จะรรึงมันถึงใจที่มีความสว่างขึ้นแล้วเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยลมเข้าออกก็เห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นลมเข้าเห็นลมออกที่ช่องต่มูกของเรานักเข้า สว่างสวัยมากขึ้นเราก็มองดูในสภาวะร่างกายของเราแล้วกรรมฐานที่สว่างขึ้นแล้วแล้วก็จะมีศรัทธาให้แก ล, กล้าขึ้นเมื่อเรานั่งกรรมฐานนิ่งๆเฉยๆอยู่ไม่สว่างไม่สวัยปีติ ก็จะไม่ค่อยเกิดกนักปฏิบัติพอปีติเกิดก็ผู้ปฏิบัติมีความสว่างสวัยกายเบาใจเบาจะนั่งเท่าไหรก่ก็ได้นี่ละศรัทธาก็จะไหลกลาขึ้นจึงเรียกว่าจเจริญเจริญที่เรา เอากาใจทําพระกรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นที่ตั้งความรู้ความเห็นสว่างสวยดีที่นี้ผู้จะเพียรให้มากขึ้นหลับตาก็สว่างลืมตาก็สว่างลืมตาก็ดีขึ้นหลับตาก็ดีขึ้น จึงเรียกว่าสมณะเป็นผู้เจริญนี่ที่พระองค์แนะนำและสั่งสอนเราก็เจริญตามยุคขนบาตรที่พระองค์แนะนำพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงในว่าเป็นี่พึงกำจัดภายจริงภายก็คืนนอนิวรนั่นแหละเมื่อเรากำจัดนิวร ได้อินทร์สังวรสมบรมระวังดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้กระตนเองได้เมือ่อผู้ใดเห็นสุขผู้นั้นก็จะต้องเห็นทุกเมือ่อผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นก็จะต้องเห็นสุขเพราะนํามาเชื่งความทําให้สําเร็จโดยฉับพลันพยายามสร้าง สร้างไว้ี่กรรมฐานอยู่ที่ตัมตัมยะถาสัพพีนี่แหละอยู่ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะที่จะทำกรรมฐานให้ดีต้องรักษาสินสินห้าสินแปดสินสิบถ้าไม่ดีแล้วไม่ละเว้นให้เด็ดขาด อินทร์สังวรนี่คงจะไม่แก่กล้าเป็นแน่นอนเพราะญาติโยมทั้งหลายทุกคนทำใจให้ถึงพร้อมเรียกว่าสินสมาธิปัญญาทำใจให้ถึงพร้อมสินสมาธิปัญญาก็จะเกิดกับผู้สมรวมสมรวมอินทร์สังวรสมรวมระหวังความรู้ อยู่ทุกขณะเรานั่งกรรมฐานอยู่แล้วเจริญกรรมฐานอยู่ทำให้จิตใจเบิกบานนั่งอยู่หายใจก็ให้มีความเบิกบานในลมหายใจเข้ากาหนดรู้ในลมหายใจออกกาหนดรู้เมื่อลมหายใจออก ให้ใจเข้ากำหนดรู้มีความสว่างสวัยขึ้นปัญญาย่อมจะเกิดเพราะกระแสไฟฟ้านี่แหละอยู่ในกายใจของเราทุกคน <c oughs> ที่เราหลับตาไม่สว่างไม่สวยัยก็คือนิวรณห้านี่แหละมันปิดบังปิดบังกระพกญาติโยมเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนา ทำให้แก่กล้าขึ้นแล้วจะได้เราจะได้หมดความเศร้าโศกวันไหวโลกกถบแปดมันจะได้ดับไปธรรมะเครื่องอยู่ของใจของเราจะได้มีปัญญาดีขึ้นเพราะทำนี้ถ้าไม่ดีพระองค์ก็ไม่แนะนำเราพระองค์นะ เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไปคนขวาเอาธรรมะมาไว้ให้พวกเราแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วก็ยังทิ้งทิ้งเครื่องมือพระนิพพานเอาไว้ให้ให้กาจัดโลคกรดหลงที่อยู่ในกายใจของเราให้หมดไปสิ้นไปที่หมดไปได้ก็ทำสมาธิ ทำใจนิ่งใจเฉยได้นั่นแหละเป็นผู้กับจักภัยจริงพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เหตุภัยในภพสามนี้แหละจึงเรียกว่าปัญญาเป็นผู้รู้ยิ่งทานี้แหละปัจจตัง จะรู้เฉพาะตนที่เรารู้เฉพาะตนได้แล้วทีเดีก็จะต้องมีใครบอกเราธรรมะก็บอกเราทำให้ฉลาดทำใจให้สบายปีตินี่มันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งจะกลายเบาปีติทำให้มากขึ้น ทวิติไม่เกิดมากแล้วจะไม่เข้าถึงความสมเจได้ <c oughs> คือในปฏิปทาที่เนี่ยนั่งทำนอนทำยืนทำเดินทำทำให้สงบทางเดินทางยืนทางนอนจึงเยี่ยนก น, กนกันเรื่องนิวนรา์ห้าโรน้ ขอให้เราพักผ่อพระนอนก็มีพระนั่งก็มีพระยืนก็มีพระเดินก็มีเราก็เอาเป็นแบบเอาเป็นแบบมาสร้างให้เหมาะสมเราจะยืนอยู่การู้ว่ า, วาความโกรธของเราไม่มีความชังของเราไม่มียืนอยู่ ความรักของเราก็ไม่มีอยู่เฉยเฉยเมตตาความรักตัวเองกรุณณาช่วยตัวเองนะคนทุกมุติตาจะทำความดีที่พระองค์แนะนำส่องสอนไว้ให้มากเวขาเราจะสร้างความหวังเฉยแม้ใครจะว่าเราดี ก็ไม่ว่าเราว่าใครจะว่าเราไม่ดีก็ไม่ว่าทําใจวางเฉยอุเบกขานี้เราจะต้องมีเพียรมีมันสร้างขึ้นจึงจะเกิดได้คคไดกลิ่นเสียงอุเบ ก, กขาความวางเชฉยสดายรูปรสกลิ่นเสียงธรรมัญมรกระทบขู่กรทบตาจมูกกลิ่นกายใจ แล้วจะได้มีความรู้จะได้มีความเห็นขึ้นจะได้ตัดกระแสโลกีจะได้เมื่อตัดกระแสโลกีจะได้แล้วยอมนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองคนที่จะรักษาสิ่นไม่ได้ก็ตัวโลกโกรธลงนี่แหละมันนำมันนำให้อยากได้ พะเราจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนมีสินแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วจึงรู้ความเป็นจริงได้แล้วเมื่อเรานั่งกรรมาฐานก็รู้คนเดียวเห็นคนเดียวมือนิวอนดับแล้วความสว่างสัยก็จะดีขึ้นนั่นแหละจึงจะมีศรัทธาได้ สนใจให้มากอัตโนนาโทตนของตนเป็นที่พึ่งแล้วถ้าหากว่าเกิดดิ่างนี้อัตโนนาโทตนของตนเป็นที่พึ่งนี่เป็นชื่อเป็นชื่อเมื่อเราเข้าไปหลักกรรมฐานแล้วก็มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขา ความมังเชยสดายนั่นแหละจึงจะรู้ว่านี่สมาธิเป็นนี้เมื่อสิ่งดีสมาธิก็จะมีได้สิ่นนี้เป็นภาคพื้นที่เหมือนกันเราจะสร้างตึกสร้างอะไรเนี่ยก็จะต้องปราบที่ทำที่ให้ดีแล้วก็วางหลักฐานของนั้น เหนียวแน่นหนักลงไปก็จะตานฐานอยู่ได้มือสิิลดีแล้วสมาธิย่อมจะเกิดได้มือสมาธิเกิดได้ปัญญาย่อมเกิดได้นี่เพราะยานทัศน์วิสุทธิก็จะเกิดมีขึ้นแล้วก็จะหมดความสงสัยจึงเรียกว่าปัญ จ, จังรู้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตนไม่ต้องมีใครบอกใครเล่า นี่ถ้าเราทำผ่านดีแล้วเมื่อยังไม่เข้าใจก็ไปถามไปถามครูบาอาจารย์ของท่านและครูบาอาจารย์ของท่านก็จะแยกธรรมะให้เข้าใจได้จึงเรียกว่าครูนั่นแหละเป็นที่มีคุณกับเรามากนี่สิทธ ที่ดีย่อมจะกราบไหวครูบาอาจารย์เหมือนอย่างย้าแพรกนี่แหละสิทธวางตัวได้เหมือนย้าแพรกนั่นแหละจึงจะรู้จักครูบาอาจารย์ทําไม่หวงังใจเป็นหญ้าแพรกได้พระย้าแพรกเนี่ย เลยตามแผ่นดินแล้วอย่างว่าปูปูแผ่นดินไว้ให้เรียบร้อยเหมือนครูบาอาจารย์จะเหยียบจะย่ําไปสักเท่าไหร่สิทธิ์นั้นไม่มีว่าเลยเหยียบย่ําไปสักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีใจว่าครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนําหรือสั่งสอน นี่ไม่มีเบื่อหน่ายเลยเหมือนครูบาอาจารย์ของท่านที่อยู่ในพระสังฆาฏีเป็นพระสนองเป็นครูบาอาจารย์ของท่านจึงมา น, นั่งอยู่ในโคนไม้ที่นี่ได้พระองค์ไปกระรู้ที่โคนไม้บ้างอยู่ที่แจ้งมัง อันนี้เราก็ได้กระทำแล้วได้ลงมือทำนั่งสนิทใจเป็นสมาธิดีอยู่ที่คนหม่ก็ได้อยู่ที่แจ้งก็ได้นี่พระสนองท่านเคยเคยได้อบร ม, มสร้างมาแล้วที่เดินไปก็อุตส่าห์เดินความอดทนของท่านท่านก็ดูใจของท่าน แล้วทีนี้เมื่อดูใจของท่านแล้วพระทุดงจะวางแบกกรดไปก็เพื่อจะเอาความโลภกรดลงเหล่านี้แหละไปทิง้งไปนะมือุดงเนี่ยมันลำบากแสนที่จะลำบากนอนก็ดินกินกระดินพยายามปึก ฝึกใจนอนก็ดินมันโขกเขกก็มือมื อ, มอยังหลงตาอยู่นี่แหละพอมันหลับแล้วนะราบรื่นดีสงบดีไม่มีที่โขกเขกอะไรก็พระกรรมฐานก็คงจะรู้ได้ว่าโขกเขกนี่มันก็จะไม่เมเพลาสมีมีสมาธิจริงๆแล้ว มันจะราบปรื่นไปหมดเลยแล้วเมื่อท่านปฏิ บ, บัติแล้วท่านคงคงจะเห็นในรอยที่อัตมาว่านี่แหละเพราะพวกหนักทุดงข้อใจดีแต่บางองค์ท่านก็มาได้เปิดเผยให้กับญาติโยมได้วันนี้เป็นความที่เปิดเผย ให้ ญ, ญาติโยมรูนักธุดงไปตำดงป่าไปจิไปเจองูขึ้นก็พิจารณานี้ถ้า ง, งูกัดเราก็ต้องตายมันเห็นความตายชัดถ้าไปเห็นเสือร้องขึ้นถ้าเสือกัดเราก็ต้องตาย แล้วมันจะกลัวขนาดไหนเนี่ยแล้วไปอยู่ในป่าชานะ่ะถ้าพี่มันหลอกเราสิ่งที่น่ากลัวเราก็จะต้องตายโอเคนี่มันก็จะไม่มีเมื่อเรานั่งกรรมฐ า, านอยู่กระดินพลาสมีมีสมาธิจริงๆแล้วมันจะราบรื่นไปหมดเลย แล้วเมื่อท่านปฏิ บ, บัติแล้วท่านคงคงจะเห็นในรอยเสียอธตมาว่านี่แหละเพราะพวกหนักทุดงข้อใหญดีแต่บางองค์ท่านก็มาได้เปิดเผยให้กับญาติโยมได้วันนี้เป็นความที่เปิดเผยให้กับญาติโยมรู้นักทุดง ไปตำดงป่าไปจึไปเจองูขึ้นก็พิจารณานี้ถ้า ง, งูกัดเราก็ต้องตายนี่มันเห็นความตายชัดถ้าไปเห็นเสือร้องขึ้นถ้าเสือกัดเราก็ต้องตายแล้วมันจะกลัวขนาดไหนเนี่แล้วไปอยู่ในป่าชานะ่ะ ถ้าพี่มันหลอกเราสิ่งที่น่ากลัวเราก็จะต้องตายถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผู้ปฏิบัติก็จะไม่วางไว้ใจก็จะต้องเอาเอาชีวิตเขาเดิมผ่านแล้วระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ผเผยระ ล, ลึกให้มากขึ้น ลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็กลัวตายเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นความกลัวนี้จะหายไปเมื่อความกลัวดับไปซะแล้วใจนี้ก็จะเป็นสุขได้เหมาะสมว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจ พระอริยส่งอยู่ในใจเราควรจะทำใจไว้ให้มั่นคงกับพระพุทธเจ้าเมื่อเรามั่นคงเขาจริงๆแล้วสิ้นห้าก็จะดีขึ้นสิ่งแปดก็จะดีขึ้นสิ่นสิก็จะดีขึ้นเรื่องลักกระโหมยนี่มันก็จะไม่มีแล้ว มันก็เป็นธรรมฮิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปธรรมะก็จะเข้าสู่ในดวงหัวใจของเราได้จึงเรียกว่าผู้เจริญเป็นผู้สร้างทมคำสังสอนของพระองค์ได้จริงๆ อาตมออาตมาเสนอแนะให้ญาติโยมเราเห็นแล้วมือจิตสงบเราจะใช้ตามองดูทั่วทั่วร่างกายกายานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณาในกาย ว่าไม่สวยไม่งามเมื่อความรู้ว่าเที่ยวไปในกายทุกแห่งหน่นปลายตำผลขนมั่งเล็บมั่งฝันมั่งเนื้อมั่งเส้นเอ็นกระดูกบ้งางทำเจริญให้เห็นทั่วในสภาวะกิเลสทั้งหลายแล เมื่อมันดับแล้วดวงตาย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นในสภาวะกายานุปัสนาปฏิปทานเห็นทั่วไปในร่างกายกิเลสก็ดับเมื่อกิเลสดับแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงจึงเหมาะสมว่าพิสุเธอทำจิตให้เป็นสมาธิ ย่อมรู้ความเป็นจริงเราจะรู้ความเป็นจริงได้ก็เจริญพระกรรมฐานเอากายนี่แหละเป็นกรรมฐานผมขนเล็บปันนัง่งเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่พยายามทำให้สว่างขึ้นให้สว่างให้มากลมองมองดูให้มากขึ้น แล้วศรัทธาวิริยะมีความเพี่ยนมากขึ้นไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเพราะเห็นสภาวะความเป็นจริงเห็นทั้งแก่เห็นทั้งเจ็บเห็นทั้งตายเห็นทั้งไม่แก่ทั้งทั้งไม่เจ็บทั้งไม่ตายเอาละทีนี้เราก็จะมีศรัทธาให้แก่กล้า ม, มากขึ้นเพราะ พวกเราที่ได้มาปฏิบัติเนี่ยปฏิปติบูชาปฏิบัติธรรมของพระองค์ธรรมนี้ก็จะได้ยืนยงคองอยู่ในกายใจของเราธรรมวิเศษก็จะเกิดขึ้นจึงเรียกว่าคำสอนของพระองค์เกิดขึ้นในภายในร่างกายของเรา แล้วก็ทาดูความสว่างไปประวางไปมากเข้ามากเข้าทาจนไม่มีตัวมีตนกิเลสตัณหาไม่มีเราก็รู้ว่ากิเลสตัณหาไม่มีแล้วดับไปสนิทแล้วทาไปทําไปเจริญวิปัสสนาต่อไปมันก็มาเกิดอีกเรื่องกิเลสเราก็รู้เฉยรู้เฉยมันก็ดับไปอีก เราก็มีเพียรมีมันมันมาต่อต้านมาต่อต้านผู้เจริญกรรมฐานสมาธิกรรมฐานมันมาต่อต้านกิเลสมันดับไปแล้วมันก็กลับมาต่อต้านอีกได้พึงรู้จักใจเฉยเยเมื่อเราหัดเฉยเยได้แล้วหนักขึ้นคนมันจะมาด่ามาว่าเราก็เฉยได้ เพราะนั่นะจึงเรียกว่าพิษุปเป็นผู้รู้ความเป็นจริงนักปฏิบัติผู้รู้ความเป็นจริงจะต้องไปอะไรนี่เขาไม่รู้แล้วเราก็อาภายัยอาภัยให้เมื่อเราอาภัยให้ไม่โกรธไม่โกรธเพราะมันไม่โกรธใจก็ผลจากกิเลสพระอริยสมบัติ ก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมาะสมว่าปฏิบัติบูบชาพระองค์พระองค์ทำยังไงเมื่อพวกเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีประคุณอันยิ่งใหญ่กับเราเราก็ทำความาร่าเริงมันถึงใจมากขึ้น และอะไรจะมาเกิดกับเรานั่นแหละความดับจะได้เป็นสุขแล้วจึงเรียกว่าความไม่เกิดก็มีในเราเราถ้ามันหมดใา้หมดินจะแล้วล่ะมันจะต้องไประกาต้องการอะไรเพราะเรามันความแก่เจ็บตายจริงๆแล้วไม่แก่ไม่เจ็บตาย ก็จริงๆแล้วก็รู้อย่างนี้จะต้องไปพักผ่อนอะไรที่มันลำบาก่ะก็มาพักผ่อนที่สบายกายสบายใจแล้วจะได้รู้ว่าสมมาสพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้คนเดียวธรรมนี้แล้วคนอื่นเราจะต้องไปเชื่อใครคนลงเชื่อคุโน้คุคนี้ ยังไม่มีปัญญาทําไม่เหมือนกันว่าครูบาอาจารย์ทำยังไงเราก็จะทําตามครูบาอาจารย์อย่างนั้นนี่เราที่นั่งกับประฐานอย่างนี้ไม่มีใครนั่งมีก็แส่แส่ที่ชวนนั่งที่โขนไม้นี่แหละถูกต้องในพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําแล้ว เหมือนพวกอลาณมาที่ในทำกันมาแล้วก็จึงในชวนญาติโยมมานั่งที่โคนไม้นี่มัง่งพวกญาติโยมก็มีมีท่าทาความเชื่อความรักเริ่มใส่ในพระองค์ก็นั่งได้ที่โคนไมน้นี่พระพระสํานองท่านเคยนั่งมาแล้วจึงในวางแบบแผ่นลงไปตามพระองค์ แล้วพวกเราก็ตามพระองค์กระดูกกันทั้งหมดนี้แล้วหนะักขึ้นก็ธรรมพระนิพพานก็จะเกิดขึ้นในเราหรือว่าละสั่งโยน์ของประชาชนสมุทสิ้นมันดับแบนของพระอริเจ้าก็อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านจึงหมดความสงสัย ขอให้ท่านพยายามหลับตาแล้วให้สว่างและลืมตาก็ให้สว่างสว่างเนี้คงจะไม่คงจะไม่ใช่ที่เราเคยสว่างคงจะเห็นต่างๆจึงเรียกว่าดวงธรรมที่พระองค์สําเร็จมาแล้วขอเพื่อเราเราที่ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ขอให้มีความสําเร็จสําเร็จ ในเรื่องสมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็มีกายใจมีเลือดเนื้อเหมือนกันมีลมหมดแต่แล้วก็ย่อมย่อมจะแตกดับไปเป็นธรรมดานี่เพราะเราถ้ารู้จักคำสอนของพระองค์แล้วศรัทธาจะไม่หวั่นไหวผู้ไม่หวั่นไหวนั่นแหละ ยิงนิ่งได้เฉยได้นั่นแหละทำไว้ชำนิชำนานเมื่อใกล้จ้แตกดับจะได้ทำจะได้จ่อหน้ากาลูกตาของเราแล้วเราจะได้ไม่ไม่พลาดทางซึ่งสวรรค์ระบัตในผาสุบิเหมือนยังก็แม่เลี้ยงและนางนมเมื่อลูก แดงเกิดใหม่ๆจะต้องจ่อหน้าดูบุตรของเราใหม่ๆจะไม่ลืมเลยชันใดเขาทำกรรมฐานมีจิตใจจดจ่อไม่ลืมนั่นแหละม่ชชาก็ธรรมะก็จะเกิดได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วพลาจะตายให้มันเจ็บปวดเท่าไหร่ธรรมะก็จะปรากฏอยู่เลยมันเรียกว่า ธรรมนี่เป็นเครื่องเจริญจริงๆไม่ละไม่หวางทำเมื่อเราทาได้แล้วเนี่ยถึงเราจะอยู่เฉยๆก็ธรรมะก็ต้องปรากฏอยู่เลยจึงเรียกว่าพระธรรมพระธรรมคำสังสอนของพระองค์เป็นผู้เจริญจริงๆก็ข้ออานาจบารมีธรรมสิ่งเป็นเครื่องเจริญเหมาะสมว่า สีเลนสุขติงเงินติสีเลนโภขสัมปทาผู้มีสินมีโภกท ร, รัพ ม, มากสีเลนนิพุตริงเงินติจะไปนิพพานก็เพราะสินเพราะขอพวกเราหมดนี้ให้รวมหูรวมตาอยู่กับองค์สิลนองค์ธรรมธรรมนี้ย่อมจะหมดกิเลส แล้วพระธรรมก็จะมาประครับประคองให้อยู่รู้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเราหลับตานอนหลับอยู่แล้วพระตื่นมาพระธรรมก็จะมาคอยคอยดูเราพระธรรมก็จะสอนเราพระทรงเหมือนที่นั่งสอนของญาติโยมนี่แหละพระทรง ที่คนทำดีแล้วก็กลายขนก็หมดไปพระอริยะก็เกิดขึ้นกับร่างกายของคนแล้วขนนี้ก็หมดไปก็เหลือแต่พระพุทธธรรมพระรงข้ออำนาจบา ร, รมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาแล้วซึ่งสี่สิบหกประจา ได้เจริญสมถะภาวนาวิปาาัสสนาภาวนาได้มานั่งแนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมให้ได้สิ่งที่ไม่รู้ก็ให้รู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เห็นก็ให้เห็นขึ้นขออำนาจบา ร, รมีธรรมที่อาตจจมาได้บันเพลทแล้วที่อาตจจมากะพระตนองที่ได้กระทาแนะนาหรือสั่งสอนมาแล้ว ก็ขอพกยโยมทั้งหมดนี้ขอให้รู้ตามเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้มกสีผลสีพระนิพพานหนึ่งจงแกริแกเร่